คุณสมบัติทั่วไปพุทธพจน์ตรัสกับอนาถาปินธิกะครหะบดีดูก่อนครหะบดีเมื่อใดอริยาสาวกมีภัยเวนหประการระงับแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปติยังคะสประการและได้เห็นได้เข้าใจปลุกโรงเป็นอย่างดีด้วยปัญญาซึ่งอริยาญาธรรม อริยส า, าวกนั้นเมื่อประสงค์ก็พึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตัวเองว่าเราเป็นผู้สิ้นนรกสิ้นกำเนิดดิรัชานสิ้นเปรตวิสัยสิ้นอบายทุกขติวินิบาตแล้วเราเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วเดินหน้าสู่การตรัสรู้ข้อที่หนึ่ง ระงับภัยเวรห้าประการเป็นชนหนภัยเวรปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักทำลายชีวิตจะได้ประสบทุกโทมนัสทางใจที่เขาจะได้เสวยเพราะการทำลายชีวิตเป็นปัจจัยภัยเวร น, นั้นเป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากปานาธิบาตภัยเวรปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดี ที่นักลักทรัพย์จะได้ประสบเป็น อ, นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากอธินนาทานภายเวรปัจจุบันก็ดี <commencer> <ule> เบื้องหน้าก็ดีที่นักประพฤติผิดในกามจะได้ประสบเป็น อ, นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากกาเมสุมิชาจานภายเวรปัจจุบันก็ดีเ <explanation> <sized> บื้องหน้าก็ดี <advant aged> ที่นักพูดเทจจะได้ประสบ เป็นอนันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากมุสาวาตภายเว้นปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักดื่มสุราและเมรัยจะได้ประสบเป็นอนันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากสุราเมรยัยข้อที่สองประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะสีประการเป็นชนไหน โสตาปฏิยังคะคือองค์เรื่องบรรลุโสดาในที่นี้หมายถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้าว่าด้วยเหตุผลดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณ ะ, สะเสด็จไปดีส่งรู้แจ้งโลกเป็นนักฝึกคนที่ยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วเป็นพระผู้ทรงพระเจริญอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอยังลงมั่นด้วยปัญญาในพระธรรมว่า ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดได้ด้วยตนเองไม่ขึ้นกับการชวนเชิญให้มาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัววินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอยังลงมั่นด้วยปัญญาในพระทรงว่าสงหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่คู่บุรุษสี่เนเรียงตัวบุคคลเป็นแปดสงมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาถวายเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของที่เขาอุทิศบูชาเป็นผู้ควรแก่การทำอัญเชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่อริยชนชื่นชมคืออริยกันตศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญไม่มีอะไรเคลือบแฝงเป็นไปเพื่อสมาธิ ความเลื่อมใสอันอยางลงมั่นด้วยปัญญาแปลาจากอเวจจาปสาทาซึ่งโดยทั่วไปแปลกันว่าความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในที่นี้ต้องการแปลให้เต็มความหมายเพื่อให้เห็นความสำคัญกับปัญญาซึ่งเป็นองค์ประกอบแฝงสำคัญที่จะปรากฏออกมาเด่นชัดขึ้นทุกทีจนในที่สุดจะไม่ต้องกล่าวถึงศรัทธาอีกต่อไปซึ่งตอนนี้ ปัญญาอยู่ในคุณสมบัติหมวดที่สามอย่างน้อยให้ทราบว่าศรัทธานในที่นี้มีปัญญาเป็นพื้นฐานคำว่าอเวจจกแปลว่ารู้พิจารณาอย่างลงด้วยปัญญาดังตัวอย่างในที่การนิกายปาติกวักเป็นต้นพึงเทียบกับอวิจจะ ในรูปสิทธิปรกรณ์และอนุวิจารในอังกุชลานิกายทศกานิบาทดูความสัมพันธ์ระหว่างอาเวจจปภาษาทะกับการละอุปกิเลส6ในมัชฌิมนิกายมูลปัณ น, นาฏ ด, ด้วยในส่วนของคุณสมบัติของพระโสดาบันข้อที่สคือเรื่องสีนั้นท่านหมายเหตุตรงคำว่าไม่มีอะไรเคลือบแฝง ระบุไว้ว่าคำบาลีว่าอปรามัตถะแปลได้สองอย่างในยะหนึ่งว่าใครใครปรามาตมิได้คือไม่มีข้อผิดพลาดบกพร่องที่ใครจะดูถูกหรือเอาเรื่องได้อีกในยะหนึ่งแปลว่าไม่ถูกลูกคลําคือไม่ถูกตันหาและทิฏฐิจับฉวยลูกคลําให้มวหมองไปเสียคงบริสุทธิ์อยู่ ประพฤติไปตามหลักการและความมุ่งหมายของศีลนั้นๆไม่ประพฤติอย่างเคลือบแฝงหรือมีเบื้องหลังเช่นหวังจะได้ผลประโยชน์จะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นศีลที่ประพฤติได้อย่างนี้เป็นศีลที่พระอริยะชื่นชมหรืออริยชนยอมรับคือเป็นอริยกันตศีลซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเลิศหรือสูงสุดกว่าศีลทั้งปวง ข้อที่สามได้เห็นได้เข้าใจปลุปรองเป็นอย่างดีด้วยปัญญาซึ่งอริยะญาญธรรมเป็นชนัยอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมโยนิโสมนัสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกล่าวคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้มีได้ด้วยประการชะนี้เพราะอาวิชชานั่นเอง สำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนิเมื่อใดอริยสาวกมีภัยเวรหประการเหล่านี้ระ ง, งับแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยโสตาปฏิยังฆาสประการเหล่านี้ และได้เห็นได้เข้าใจปลุปรองเป็นอย่างดีด้วยปัญญาซึ่งอริยญาณธรรมนี้อริยาสาวกนั้นเมื่อประสงค์พึงพยากรตนได้ด้วยตัวเองว่าเราเป็นโสดาบันเดินหน้าสู่การตรัสรู้ในอังคุตระนิการนาวกานิบาทก็ตรัสหลักการสำรวจและพยากรณ์ตนเองอย่างเดียวกันนี้ แต่มีเพียงระ ง, งับภัยเวรหและประกอบด้วยโสตาปฏิยังคาสไม่กล่าวถึงอริยะญาณธรรมและในอังคุตระนิกายปัญจการนิบาทก็คล้ายกันแต่ยากเยื้องเรียกการระ ง, งับภัยเวรหเป็นมีการงานอันสังวรในสิกขาบทหแล้วเรียกโสตาปฏิยังคาเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารทางจิตอย่างสูง4ประการ อย่างไรก็ตามความหมายของโซดาบันที่สัมพันธ์กับการรู้ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยยญายธรรมโดยเฉพาะมีอีกหลายแห่งโดยมากมาในชื่อว่าทิฏฐิสัมบันและถือว่าพระโซดาบันเป็นผู้รู้จักโลกแท้จริงพึงสังเกตด้วยว่าในสังยุตตานิกายนิทานวัก แสดงความหมายแง่หนึ่งของโซดาบันว่าได้แก่ผู้มีญาณสองคือธรรมญาณและอันวยญยาณซึ่งก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมุบาทนั่นเองบรรดาเครื่องวัดตัวสาหมวดนี้โสตาปฏิยังคะเรียกง่ายๆว่าองค์ของโซดาบัน เป็นคุณสมบัติโดยตรงของบุคคลโสดาบันส่วนอีกสองหมวดเป็นเหตุเป็นผลของคุณสมบัตินั้นกล่าวคือการเห็นอริยญา ย, ายธรรมหรือปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุของโสตาปฏิยังคาเพราะเมื่อมีปัญญาเข้าใจกฎธรรมดาแล้วก็ทำให้ศรัทธามีเหตุผลแน่นแฟนทำให้ศีลบริสุทธ์ต ร, รงหลักการ และความมุ่งหมายของมันส่วนหมวดแรกคือการระ ง, งับภัยเวรทั้งห้านับว่าเป็นผลเพราะเมื่อมีศรัทธามีเสียงถึงขั้นนี้แล้วภัยเวรเหล่านั้นก็เป็นอันหมดไปด้วยเหตุนี้โดยทั่วไปในบาลีส่วนมากจะกล่าวถึงโซตาปฏิยังคะแต่ลำพังหมวดเดียวโดยฐานเป็นคุณสมบัติประจำตัว ของบุคคลโซดาบันเช่นตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างย่อมเป็นโซดาบันมีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลทั้งหลาย ที่อริยะชื่นชมเป็นไปเพื่อสมาธิพุทธพจนี้แสดงไว้มากมายหลายแห่งในสังยุตตนิกายมหาวารวจโดยมากเรียกง่ายๆว่าธรรมสี่ประการธรรมหรือธรรมะสี่ประการที่เรียกว่าโสตปฏิยังค่ะคือที่รวมอยู่ในสามหมวดข้างตน้น โตาปฏิยังค้าสีนี้บางแห่งเรียกว่าธรรมม า, าธาตุแปลว่าแววนส่องธรรมหรือกระจกเงาสำหรับส่องสำรวจคุณสมบัติตนเองของบุคคลโซดาบันบางแห่งเรียกว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลและอาหารของความสุขซึ่งในบาหลีบางแห่งเปลี่ยนข้อสุดท้ายคือศีล เป็นจาระบ้างก็มีเป็นปัญญาบ้างก็มีบางแห่งเรียกว่าทิฏฐธรรมะสุขาวิหารคือธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหรือธรรมะที่พักใจให้เป็นสุขทันตาเห็นในที่นี้หมายถึงทิฏฐธรรมสุขวิหารทางจิตอย่างสูงบางแห่งกระจายศีลออกเป็น กายสุจริตสามวจีสุจริตสี่รวมเรียกว่าสัตธรรมเจ็ดแล้วเรียกโสดาปฏิยังคะว่าอากางคิยฐานะหรืออากางคียฐานสี่บางแห่งแยกแยะละเอียดออกไปเป็นสิบข้อคือกระจายออกในรูปของสัมมันตาสิบได้แก่มักมีองค์8ดกับสัมมาญาณและสัมมาวิมุติ